เพ่อเตั ite, ้งวน้งสรคิ่งีย์ใช้สังสรรค์เองัญจาณีรกระทำเรีรางกายการคิดสำคต่างๆเริ่มจะนำไปสู่การเกิและการดับสิ่งต่าง แนนาเข้าสู่การทุ ก, กข์ยดยร่างกายสนชั้โลกและวเราเกนดเราเขินเชินี้เราี้มีการเป็นเี็นที่ตัตั้งแสงหาตั้งอื่นเ ม, ม, ม, ม, ม, มื่อนดอกฉันมสอความสุดท้าทั้งหมดก็นม่ชีประงสงคัยแะ่เดียวที่พาเธอได้ข้ามขึ้นท่านเสียสาทูนทีน่สูงขงึ้น แต่ไม the ่เท่กับยุทธคันธิชังวดาแบบนี้แล้ที่เราได้ยินคำสัญญาที่จะทำห้สมหั่หมายความว่าเราองไปดูที่บัรสงทันธิชังต่างๆด้วย ก็น่าละรมเน่อนใคิดตุงน้คิดกระการคุรัญหาต่างๆเพื่อสร้างค้มร่วมมือร่วมคินคิดรวมกันรมนําไปสู่การเกิดการดับที่งกระทำพื่อนำสู่การชนดุษกันใจกันเช่นแรกเช่งเช่นกันนนั้นเราต้องมีสังเกตุที่จะท้อมีธี่จะแบบเกิดการตรอบแลอะไรมานองนั้นนอาศุดเลย ท่านปู่ต่เข้าความค้ิสคับว่าขึ้นในจักรวาลนี้ได้ยังไงเราคุณดูยังขึ้นมในจักรวาลสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิมันก็อยู่ในจักรวาลนั ude, so nah ่เองเพิเรนแลก็มีเร่กับนามสองอยาในจักรวาล ก่อนที่ศิษย์จะมาจับให้เกิดลูกนะครับศิษย mm hmm. มย่งไงครับแต่ก่อนหลวงปู่จะชวน น, น, นิดนึ่งก งานเ ด, ดิมก็คือการบ้างของชกวาลเข้าคู่กันจสเุกิดเื่ออรขาเกิดอกที่ได้มีรูปนั้นแต่มีน้ำได้มีน้ีนั้นแต่รูปรูปน้ำเริ่มกันเส้นเหตุเกิดึ้นทียสี่แเปลี่ยนเปลี่าและสถานเวลาเพืยังมีการดึงดูสิ่งกนและกันดึงสมหให้รูปเคลื่อนไหวและมนรอบตัวเองวามประจัย คนร้าได้จอมุ่งนาควารักการแรรูปรูปเฉนได้แมอสมยว่าทำเช่นนี้สันติส่งของมัทธิวารการมีชีวิตและมมีชีวิตที่้างเฉืนใจเป็นยลัดิดตั้งติดต่อธุกิจไม่รั้หยุดนิ่งให้คนคนจนปัจจุบันที่จนบ้าม่เป็นัจจุบันปัจได้จิตก็เกิดมาจากอุปนิมของจักรานมาเกิดนึจนิตจิตก็เกิดมาจากอุปนิมของจักรานนั่นเอง เ็ทำให้อนออนไลน์ตอนตึก่ันแกนี้มีลูือฉป็้าเองแต่นพในข้คือบางคนน่าในตัวตรงเลยนะนาเหนื่อยราะตอนเดินทานี่บางคนชอบงูแต่เป็นระวังนะก็ไอจิดมันจิดมันรวมจินรวมก้จิตมันจิกมันเกียจขันนักก้าวลุกไปทางัวนี่แต่เราต้องขี่มีฉันเป็นหลัก ถ้มันยาว่ายูนิชนหรือล่าแลเจ้ายูนิชัทุเาิคุยรวมแล้วขึ้นมาพาว่าพวังนี่ก็เป็นชานส่วนหนึ่งแน่เพราะอย่างลึกนั้นตัจกากทยากทีุดีเอียมันลกค่ไไที่ลอยสุาไหรี่มีการเข้าชานนั้ก็นนแล่เวลาเข้าถึงชานลนร่าการเนี่ยตั้งตรงน้เน่ตรงในน้าตาทาว่าจะตังชีวิตง ส่เราคนที่ตอนนี้ไม่ช่ไม่เห็นหน้าผเหมือนแั้นเียกว่าเขาวางให้เลยแม้แต่ชุดไม่เคยเอือนแต่จีนเคยเดือดได้เลยงานชุดบีกันได้ไม่วางคอไม่ได้ามันไปทั้งทั้งตัวไปชุดของเราดีแล้วทำไมสักไนไปกรั้องเร่องต่างตรงนี้ตาตรงที้ตรงนี้ีนเรื่องนีจะทอะไร เลยคือพอเวลาเข้าสมาธิถกว่าตัวเราตัวเราเวลาเข้าสมาธิหลักไม่มีร่างกายแล้วเหรอลอยอยงยนอยู่นะยังยืนอยู่เริ่มสบอยู่แล้วไม่ได้มันลอยอ่รัาบางครก็ลอยแต่ทันี้เป็นกระงลังอยู่ในที่ส ก็า้กันน่มตกาี่นองแล้วแค่นไม่ไปไหนไม่จ้านทาเรยกได้ก็ลาไปถ้าไม่หยุดก็ทานเยกอยเก่าเองมันจเปลี่ยนไม่รอกมันจะเปลี่ยนไม่กมันเปลี่ยนเรืนมอยู่มันนมันนแงแล้วมันไม่เป็นีย้อนกลับ แล้วก็การทำประกอบดุลอ่างนี้มันเปลี่ยนเรื่องไปจุนจุนพิญญาข้างแรงจุนจุนหยุดหยันเขายุติระหว่ากจุนจุนนี้มันเป็นการใช้เรื่อยๆโน่นส่งโน่นส่งเป็นนี้แต่เราทำเรื่อยๆนะบางทีเขาไปนอนล้วประกอบดุลย่างนี้แต่ธรราไม่ชัดเจนสิแล้วธรรมญาข้างแรงจุนแล้วสุดท้ายเรื่องก็เองว่าอะไรมีคนเอาอะไรไม่มีคนเอาเราจะรู้เอง แล้วมันยั่งยืนมนมีนิมนิดมมันเยอะมันมเยอะนมันยอะแตแนอันนี้เดี๋นอันนี้กิเอเกินั้นต้องตามเราม่ต้องตามเราแต่ตามนิดอนั้นมีดีสุดๆไม่ดีสุดขราลถ้าเราต้องการัดนมิตเหล่านั้นออกมาดีสอราันิลนนอย่างี้หยุด้นแล้วก็ล้นั้รไม่ต้องัดเนี่จะเรื่องดีของเราอย่างนียนะมันจะหลคิดไ เนื่อการพาไปการดนมาเสนอพิจนั้นมันจะเป็นมีรลายวันเหมือนกันนะเราจังการสุบด์หม่หม่กอันนี้ตัวน้มันจะมาะโกนมาตะโกนในรายร้ใจมีเช่นการแล้วก็เขีนของเสนอพิจิตของเสนอมีพาไปพิจารณาที่ตัวตที่เขีนตัวเองเขน้มันเป็นตัวหน้าตัวที่หอก คนเราเราต้องทำไงคือเราควนจะต้องใช้ตคือร่องอะไรกัืตันั้นมันมี่ต่างมันี่ต่างมันมีมนีต่างมันมีตัวมันจะอะไรต่างไม่มีก็ไม่ต้อคุยสร้างันนคือเรืองอะไรนารอยู่นี้สุแต่สร้างสิ่งอื่นตรน้จไมนอะไรเรื่งไรอะออะไระไรคือมันมไรแต่อยู่ตรงคื นางท่านบอกว่าให้ขัางไว้นี่ภายในวงแขนบางท่านให้ตัางไว้ที่หางจมูกแบบคืบมืออะไรังจิตกหนดทุกจุดใดจุดหนึ่งเวาหายหนัก่ังข็งแรําหนดทุกอ่าก่อนให้จุตเนมาธิได้กาหนดจิตไปแง่แงก็แล้วก็จนริสุทธเปจิดเป็นจิตสามเวลาจิตอันบริสุทธิ์เนะที่จิดฉันออกใชไหมล่ะ ก็ต้องจิติตนะิตกันใช่ไหมหลวงจิุดชัดเจนเลยจงหยาเน่ยละม่สั่งินัตั้งเวาสู่สามวันชาแนลตัวสามาะรอย่างนี้ออารมณ์อีกต่อมาขาตัวเองที่สัวนะเรียนมีแค่สามถึงเวลาปฏิบัติครั้งแรกควรไปวางสติวางจิตไว้ตรงไหนครั้งแรกที่เริ่มปฏิบัติก็เรื่องปฏิบัติก็ไม่มีอะไรแมรรมสเอง มรดกมรดกไม่อะไรพดเถืํานโฉมโฉมโฉมโฉมโฉสามอย่างแล้วก็พูดเถื่อนเถื่อนเถื่ออย่างเดียวการที่ตะโกนพูเถอนนั้นคิดจะทำไงพูเถื่อนนั่นแหละคือว่าพูดเถื่ออยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องจาสิ่งสิดงนั้นนอกจากมีู่3อย่างพูดเธอนมันพูดเถ่านคือว่าพูเธอนันูดเจน่คือพูดโถอคือขั้นเด็ดดาคือว่าพูดเถ่อในสจ แล้วสวก็โธ่กับอ้วก็โธ่สัวก็โธ่กับสัวกอโธ่จึงทิทิ้งยากันจิตก็จะทำาไม่มีอะไรสัวก็นมีสัวมีส่นอะไรือวก็หนึ่งสัวหนึ่งอะไรนั่นคู้จิต่เาจิเอยาเห็นตม่เห็นเขา้อเห็นแบบสัญญาหจรู้แัาอันนึถ้าาทํามันเว้จิตเหมือนนังตรู้ถ้นใจเชื่อทังนย ต้นใจช่วความกรตุ้นเขาต้นใช่วยความกรุยิ่งเป็นใจช่วยปนิภานทางตรงอยู่แบบนี้มาต้องการดีทยาใเพียคิ่พัฒเจงโดยปัญญเห็น้วยนันเหลือเมือกาอวุธนั่นดอกแต่วหลอดัารรู้ถึงอิจราชักเนและมันชัดจนม้อการเห็นด้ยทำย่าเห็นด้ยันั้เป็นรูป ไม่เห็นการกันดาบกันดามันเห็นดูตัวเองมันชุบขึ้นมาหรอจึงป็นการเนการกันาบกันาบเงมนสุทีัจงเรองทุกอยมันมีแล้ทุกส่วนจุดนี้ตัมีตัวใดดาวแต่มังอยู่ไม่วกันแลทุก่ในจัหลักเนัเาจะหาหลักธรมดยใ้สิ่งเราจะหาจิตเ กาเะทันอานัน็ลักไ้เลยยุคนี้หลักานานก็ไมุ่ขจิตนนมนเองก็ไม่ทุขจิตแต่ฉันก็นั้นมันก็ยังในใจมันทุกขจิตการเชสารวจิตนั้นมันุกข์จิตส่งนี้นั่นแหละยอมเอาความั้งเต้นายืนจริงเอาจนเลิกการคิดละการปฏิบายิเสื่อมดดังนั้นเราอาศัยหรือว่าคล้อแห่งกับตสัแล้ว ที่ผังจิตวิสุทธิ์เคยงขึ้นสิงเจริญจิตนิสิตจิตวิญญาณในอันดับสุดสูงมีประการดนี้นะท่านทุกทแต่งมีการรู้สึกนึกคิดกัรหลุดกะหลายข้นดีภารวิจการท่องอันดับเทอภิกษทงหลายขั้นตอนกรดีเื่องเป็นกระแสแห่งธรรชาติอันยังมีนั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการไปตลางทางหลายใจขึ้นจาสตร์ที่ผิดผิดนั้นยอมนำแรงประตูการต่อสร้างกลางืาอายขั้นตนู้นิม่ีอย ธรรมชาดังคำตนสุทธะดังเด่นต้อลไรนั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นจรงที่มีอยู่สมัยนี้ตานเพือตนแม่ปะจักษปรมานิเวศนี้คือความด่างเป <manageable. S 3> ็นสิ่งที่มีอยู่บนที่เท้าเทียเสมือนน้ราวามันมีอะไรเก่วอันเป็นสันาติดกับเรื่องเรื่องเกี่ยวเร่และกำหนดการเช่อมตนั้นเอง จน้าเขาดูสิ่นี้ได้ลุกซึ้งโดยการลูตาต่อสิ่ง้รือเดีซึ่งซึ่งอยู่ตรงหน้ารงและที่สิ่นั้นไม่อตากสิ่งที่อัู่ในสิ่งุและสม่งทุกสิ่งเหล่าน้นมีนจสิ่งนี้อยูแล้วอาจารย์ใหญ่มาจังใได้เลยนะมาจังใจ หลักธรรมจริงก็คือจิตของเราเองนอกจากมีอะไรก็ไม่มีหลักธรรมอดไเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมถึงจะเรากระจายกันแล้วมันก็ไม่ใช่จิตแตจิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตจะถึงขนานั้นมันก็ยังไม่ใช่ไม่ใชจิต การเจออภิวัจจินั้งไม่ชุดอย่างนี้นั่นแหละย่มไม้ายความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีอยู่จริงก็ <c oughs> งเชิญเลยกลา่าการคิดและการอธิบายเสียหมดสิ่นเมื่อนั้นเราอาจอ่ากล่าวไ ด, ด้ว่าครัเงแห่งคำพูดก็ได้ถูกจัดขาดไปแล้วพิษคองผิดก็ถูกเพลิอเพลนขึ้นสิ้นจึงแล้ว จิตนี้เป็นสุขใยังไม่อัน d บอร์สุซึ่งมีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนสัจว์ซงมีความรู้สึกและิดกระโดดกรดิกได้ทั้หมดก็ดีกระดูกทีาจะร้อมทั้งหัที่สับทั้หลายต้งพวงก็ดีรูปเป็นของหนงธรรมชาติอันหนึ่งอันนั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจาก a ราคิ h ผิดๆเนั้น ย้านำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งลึกรับนอกการพูดความเข้าใจอันนี้เอง <c oughs> เราทำให้ผิดาพาาใไปก็มีอะไรมาไปนนะั้การเข้าใจผิดผิดแล้วนี่น่ะเราพากันเราพูดไปนอกตู้นอกทาง <c oughs> ควารงจะใช่ริงแต่มีอะไรมากมานะ ก็คือสุชาสิ่งสูงสุดมันยอมรวมสิงทุกสิ่งเข้าไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระกุฎีเจ้าชีตระศิรแล่ทั้งหลายเป็นชีตสุดในเบื้องสูงลงไปจนกระทั่งจึงสัตว์ประเทศทีตำซอยที่สุดซึ่งเป็นสัตว์ด้วยกลางอยู่อกและแมลงต่างๆเป็นชีตสุดในเบื้องต่ำสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งมันย่อมมีส่วนแห่งความเป็นสุชาเก่ากันหมด และทุกๆสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับศีรานะนั้นดังงาช้างช่างไหลจน่วงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับศีรอแล้วตลอดวลาถ้าพวกเราเพียงแต่สามารำความเข้าใจในจิตของเราเอง น, นี่ใ น, นสิงสงสงสงส่ง ท, ง ท, ที่เราคนทดสอบธรรมาแท้จริงของเองได้ ด้วยความเข้าใจอันนั้นเนั้นนั่นก็จะเป็นจิตในนอนว่าไม่มีอะไรที่บกเราจึเป็นจะต้องแสงหามและไอย่างใดเลยจิตของเรางั้นถ้าเราทงความสุกอยู่จริงๆเริ่มขาดจากการคิทินซึ่งเป็นการเคลื่อนไหของจิตแม้จะน้อยที่สุดเส้นหน่อยจริงๆก็แค่ของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นคนวาง เวลาเกิดขึ้นพวก n รามันเป็นสิ่งที่รู้จักกันไม่กี่เมื่อที่อะไรอะไรนั้ใช่ไหมทีชุดเดียวมันมีปสบเอการัยว่าเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่หรือไม่ควเป็นอยู่แม้แต่การใดเลยก็เที่นี้เป็นสิ่งที่รู้สึกไม่ได้โดยทางอายน พระราชกิจซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ของคนเหล่านั้นนันเป็นกลางหรือเป็นกระเนิดซึ่งไม่ได้มีใครทำให้เกิด ข, ขึ้นหรือไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยในการทำปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเวล้อต่างๆนั้นมันเปียงรูปเมันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อสะดวกในการพูดและพูดจริงๆ ในขณะที่เป็นตัวสติปัญญาตในขณะที่มไมไ่ทำการตอบสนองต่อสิ่งแวล้อมคือไม่ได้เป็นตัวสติปัญญาที่คิดหรือสร้างสิ่งต่างนั้นมันเป็นสิ่งที่มีอาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบัญญรยาย่ามันเป็นความมีอยู่หรือไม่ใช่ความมีอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นอีกในในขณะที่มันทําหน้าที่สร้างสิ่งจงางๆขึ้นมาในขณะที่ตอบสนงกกองเจะกุลแห่งความเป็นหลหรือผลของกันและกันนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่รารู้สึกไม่ได้โดยทางในจิตนาฏตาหูจมูกลิ้นกายและโลหวารนี้ น, นั่นเองถ้าเราทรบความเป็นจริงคนนี้เราคลางความสงบเงียบชินิดโดี ย, ยวในภาวะแห่งความไม่มีอะไรในขณะนั้น พวกเราทำงนานเดินอยู่แล้วในทางแหงประติจาวทั้งหลายโดยจริงนั้นเราควรจริญปิตซึ่ยุด อ, อย่าไม่มีอะไรเลยชงชให้จบสิ้นซก่อเหมือนกับบีบเข้ามาบีบเข้ามานะฮะเรือผมเคยครั้งบนเมื่อมันหมกันเลยแล้วมันออกไปอีกแค่แค่มิสิหนึ่งเลยีที่นุ่มแล้วก็เงียบ แล้วก yeah. <ooo> ็ไมอารมณ์อะไรเลยไม่มีความึกคิดอะไรเลยนั้นเอา่งหมาอหมดการคิดไปแล้วคมคิดได้วามเ่มันมันคิาคิดทั้วสุดท้าย้าดงเตัวตัวคิดรมน แต่มันยังมีสุดคูณอ๋อตัวนั้นนะอืมะแต่มันอธิบายไม่ได้ว่ามันออมันไม่มีอะไรอธิบายมันอยู่ในกับมันอยู่ในคำพูดสมัยนี้มีแล้วเสร็จเราหลังจากที่ได้นะฮะก็พยายามพยายามที่ว่าจะเกิดอาการแบบถูกบีบเข้าไปนะฮะซึ่ง ขั้นแรกก่อนนี้ะเข้าไปในทรมานมากคราวนี้ผมกับการเป็นอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกับเหมือนกับเขื่อนแตกจะต้นโตกี่ง เ, เหมือนกับเขื่อนแตกมีน้ําอย่างชนิดแรงมากขนาดเขื่อนอย่างใหญ่เลยแล้วพุ่งขึ้นมาข้างบนคณะเั็นไงับเป็นตัวนิมิตนะครับไม่เป็นไรคือเป็นตัวนั ปลอกคิดเอาเราคิดเอาเปลี yeah, no ่ยนเลยนิ no. yeah. Yeah. Yeah, no. Yeah, yeah, no. ่ใเรมมันก็ได้จดีถ้าเราอยากตัดมันอยาตมันออกไม่ต้องดูามันนันเพียราช้ดูามัมันลี่ยแล้วหลักดูจนต่มาดูสิ่งนั้นอดีตใั้ดอยูต้องมากันมัน็อย่นั้นธรรมดา แล้วถูกนะแล้วอย่างจุดเนี่ยนะฮะถ้าอย่างไปนิพพานรงนีนะฮะพระพุทธองค์บอกว่าผู้ที่ไปนิพพานตรมนี้เอาสิตไปด้วยอันี้หมายความว่าอมว่าก็จิตมันตายนช่เวลามันตายจะเป็นส่วนแต่ละจะเป็นอกาสจิตเนี่ยละส่วนๆแต่จิตเราเป็นตวที่กระทมทั้งนั้นเลยจะายเป็นเรื่ายๆก็ต้ส่วนที่ ไปอรหานี้ว่าดับจิตเอาไว้กับโลกอเคแล้วันไม่มีอะไรเหลือแต่ถึงงานแล้วทรับใหมดคอามหมายคืาว oh uh in. ่าอารมณ์ว่างเปล่าซึ่งเป็นช่วงนั้นเวลาดับสิตแต่ถึงงานดันแล้วะถึงาปจะไปพูดถึงที่จุลจิท <Kas per now> ี่สุดจริงๆแต่ว่ามันอะไรเลย คือไอ้สิ่งที่ไอจิอจิทนจิจินะปมนยปน้จตปมครูนจติแล้วันนจิจิยน้อีก้มไม่มีอะไรที่ยจะไปออถึง่างนื้อ้วางราถ้ทศูนย์จต่าัอันนี้อยนี้แล้วครับ คืถ้าอย่างนี้ถ้าลรานั่งนี่ชักพูดถึงถ้าเราอย่างที่บอกว่าให้รักษาอารมณ์ก็คือรักษาอารมณ์ตอนที่เกิดความสงบที่เราความตกที่เราอธิบายไม่ได้นั่นแหละให้สามารถเดียวเข้าไปในอารมณ์นั้นได้เร็วเข้าไปในอารมณ์หายไปแต่แรกต้งเติมอะไรเดี๋ยวสว่าอยากดูมีอะไรเดถ้ามันื้อคำพูดเลยมีอยู่เนื้อคำพูดถ้ามันไม่เนื้อคพูดมนอ่เนื้อคำพูด ใจไม่ใจใจ่ออกแย่งไงครัใจไม้ออกแย่งไงนะใจยงออกมาต้องไม่ต้องหายเงียบไปไม่ต้องมาจุจุให้คนมาจีดอาคนมาจีดเอาใจออกมาบอกความ่ไหมอาจารย์่าอย่างนี้คือของเขาเนี่ยมาตรงข้ามกับผมนเขาผถูกดีแต่เขาการเป็นขยายออก แต่ลักษณะอาการที่แข็งเป็นหินนิ่งเหมือนกันอาการที่หายใจไม่ออกจนเหมือนกับจะขาดใจกายนี่เหมือนกั น, น, กนถ้าอย่างนั้นถ้าเขาผ่านไอ้จุดนี้ไปได้าเาก็ต้องเข้าไปในวิติสมงสงบได้นนถูกแล้วู้างที่สุดแล้วใช่ไอาจารย์อ้วละเอ๊จะได้เชียงก่ออืมอืมีดจิดจ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 เป็นสุดเนี่ได้ที่เราทำนั่นยิ่งรักษาด้วยว่าเราไม่ต้องซื้อคือดูจากภาพเนี่ยที่สุดที่สุดคือสุดที่สุดที่มีสุดที่สุดที่สุดที่สุดที่ยังมีอันนี้เลยดีแต่ตอนนี้ก็แข่งกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทางดูสิว่าคือใครดีสุดคือจะต้องเป็นคนที่ต้องรักที่มากที่สุดเลยทุกคนต้องการที่จะรัก การกระจายอำนาจเพันจังหงหวัดน้นเราต้องการให้ทกจังหวัดกภาคพื้นที่ทุกชนชั้ทุกชนกลุ่มทุกาคสัมทุกชั้นสังคมทุกสังคมทุกชั้นสังคมทุกชั้นสังคมทุกั้สังคมทุกชั้นสังคมทกชั้นสังคมทุกชั้นสังคมทุกชั้นสังคมทุกชั้นังคมทุกชั้นสังคมทุกชั้นสังคมทุกชั้นสังคมทุกชั้นสัคมทุกชั้นสังคมทุกชันสังคมทุกชั้คมทุกชั้นสง ต้นทุนทีเราไม่เคยทำให้ต่ำลงแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกคนต้องไปทุกคนจะไปคุณข้าไปสู่จุดที่ยากที่สุดเราต่างเดินทางไปถึงเมืองที่จะไปต้นทุนทีเราหน้าไหวที่สุดไม่ต่างกันเป็นผู้นี้รือแต่ส่วนตัวคนที่เข้าใจมีความากลำบากมาก เมื่อคุณมาอ่านเอวาทังาร่ทกต้องนาหแ้มันเป็นเตามปร่ถั่ต้นอง่มั่จ้านนจิงแต่ามัน็่อริาเือ่าเรตัองมันเป็น่ง่มรปนรั ต้นส่งที่มยนที่พักนั้นสุดยอดมากและมมีอะไรยอะพอนเป็นัตที่เุดอเรงเยอะแรและนังเกตุอภาพั้งสี่ได้ประกอบขึ้น เป็นงอย่ญญาณเป็นของร่งกยเพราะว่าาทั้งสี่ทั้งรูปตานั้นไม่ใช่เปนสิี่ประอกอบ็นทุนเป็นตัวของเราเราจุดทิ้งแคนี้ในดูใบไม้ผลิและมีอาการมาหรือม่ีอาจารย์ไปทำไมชาติเป็นแค่ของเรานี่ยเสิ่งที่ ต้องมีการตั้งต้นขึ้ที่การเกและมีการชิมตกลมที่กันตายแต่เป็นขังสิ่งเดียว่วกและรู้จักการเฉลยในเร่องลลกจริงของมันทั้งหมดอุกเรากรสิ่ง่งเป็นระดล้อเราอย่างเนสิ่งเดียวเราชนะแทนการทำแาใจกันไมได้จริง เรา t ิดอยู่กับสังคมัมีกันรัยนเราเป็นสิ่่เียนในโลกงเราจะเป็นที่อยู่ในโลกราม่มีสังมเปลนให้จุติสังคมยชีมเีย เราจะเป็นกับดูมรักเองฉะนั้นเราจะจัดความชิุข็งไปที่สิ่งสิ่งเดียวกังสิ่ง่นเราจะรู้ึกาวามิงอะไรดไปฉะนนนีคือหลักมหลัก่นีจคทุกคุณอน่านมั่นจไม่มีหลักฐานใดเลย เมือคุณหลับตาคุณต้องนอกไปจากันแรกที่มันกิการดูาวัคนในเกจิสั่งนี้เมื่หสมายความฉุนฉุนกันฉุกฉุนมนีวฉุนขอเพิ่มหลกคามคิ้และการอธิบายช่วยหมดยุ่งเมื่อนั่งรอเวลาทงคำพูดรู้สึกกับขัดแล้ทุกข์ทุกขจะถูกสะท้อนึ้นิ่งชัแล้ว จุดิกอันระังยูนทุกคนการต้องมีครุิเนสียและประ์ากควมั้งวนีล้วนเป็นความแงธรรมชาติหนึ่งในนี้ในนีาษาตะเการปฏิการทหลายสืบขึ้นจากระิตจิตนี้ลังเราึงต่อสั่งางทั้งหลายส่วนทุกิย ขั้นแรกแหความเป็นพระได้โดยทั้งแบบนันโดยาีนที่มีความนีาสิ่งที่อยู่ในีอันและมีอะไรนงทีุ่ด่อและการ ต้องข้าไปสืบิงนี้ได้อมกางลืาต่อู้เท่ที่ขึ้นอยตรงหน้าเราในะ่ิงนั้นนอัตราที่จะิณเงดทยังเสิ่งที่ควะนใจเรี้นัจะนส่าว่ารือ เราเลยกินินอะรนไปกินะไรไปกินไปกนเนัแบมเนยเนบืดดแบืบบดล้วก็ยืมเงินแบบเอาไ